พอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวาิธล이ศรีปทุมกำลังนำเสนอทเวทาบิตักษประสูต์คือประสูต์ที่พระเจ้ารับสั่งเล่าในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัต ร, รุกก็ทรงใช้องค์ธรรมสามข้อ คือความไม่ประมาทความเพียรและเจตจำนงอันแน่วแน่คือความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่แนแปลว่ามีต้นส่งไปแล้วแหละอยู่เป็นลักษณะของการใช้ปัญญาคือถ้าพูดง่ายๆก็คือสติสัมป ญ, ญญาญความเพียร น, นั่นเอง ก็มาถึงช่วงที่ทรงแสดงให้เห็นถึงว่าจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยเวลาเนียวนึกด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะไม่ปรากฏเพราะจิตมันคิดได้อย่างเดียวในขนาดเดียวเพียงแต่ว่าขนาดจิตมันเร็วแต่นั้นเองแต่ถ้าเราฝึกปรือสติสัมยัญ ญ, ญาความเพียรมากพอมก็แยก ความรู้สึกได้แต่ว่าพลังจิตจะต้องมีความเข้มแข็งตามปกติแล้วก็แยกไม่คอทันเท่าไหร่รับสั่งกล่าวโดยสรุปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองวิตกเตยใมากเธอก็จะมีใจน้อมไปในข้างวิตกนั้นๆ ดุก่นพิสูจน์ทั้งหลายคือถ้าพิสูจน์ยิ่งตึกตรองถึงความพยาบาทาถึงกามวิตกมากเลขามมาวิตกก็จะเบาลงไปคือความคิดที่จะออกจากกามเนี่ยมันไม่ออกมันนำใจไหลไปสู่กระแสของอารมณ์เ่านั้นตลอดไปจะกลายเป็นนกับความำกำลัดความเพลิดเพลินรื่นเริงระเริงหลงอยู่กับอารมณ์เ่านั้น เกิดถ้ามองชีวิตของคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยมันมีอยู่เป็นนันมากที่ไท ย, ไทยเธ อ, อใช้ชีวิตไปในช่วงตัวเนี้เพราใจปเป็นเหนี่ยวลึกตรึกนึกถึงการมมิจกมากการมองเห็นโทษเนี่ยมันจะไม่ค่อยมองเห็นเพราะว่าตามันก็เห็นที่กระตุ้นกามราคะหูก็ได้ยินเสียงกระตุ้นรามราคะ ใจก็คิดถึงเรื่องที่กะตุ้นการมราคะและสัมผัสก็ไปสัมผัสสิ่งที่กระตุ้นการมราคะพอาตกลงภาษาสัมผัสเราได้รับหมดเลยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจไอจ้ใจก็นำมาตรึกนึกในแง่ของกามวิตกตอ้เนคามาวิตกมันก็จะเป็นการทอดทิ้งไปโดยธรรมชาติ หัวใจจะมาอยู่อยู่ที่กับการมีตกนี่มากจีกงเธอก็น้อมไปเพื่อกามีตกทีนี้ถ้าตึกนึกถึงถึงพยาบาทที่ตกมากมันก็จะก่อให้เกิดความคิดในแนวเครียดแค้นชิงสัง่งอาฆาตพยาบาทต้องการจะจองล้างจองผลาญต้องการจะทำลายล้างกันจนบางครา้บางคราวมันถ่ายทอดออกไปเลย กลายเป็นมมดกบาปที่คนเหล่านั้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆอผ่านอายุคนไปไม่รู้สักเท่าไหร่ก็ยังจองร่างจองผลกันอยู่หรือบางครั้งบางคราวแม้แต่การกำหนดหมายสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจก็มีการปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องนั้นพอดีตัวเองก็มีอายุไม่ยืนพอก็สั่งเสียลูกหลานเอาไว้ แล้วก็กลายเป็นการไ ข, ขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ตายไปตายไปตายไปวันก่อนได้ฟังเขาสัมภาษณ์เรื่องการงานนิทัศการหลวงพ่อปุตตะ ธ, ธที่พุทธมุนทุนเกิดจริงคิดจะไปดูนะฮะแต่ว่าเห็นคนมันแน่น เป็นพระก็รู้สึกวางป่วยากหน่อยก็เลยไม่ได้ไปคือประเด็นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เด็นหลักคือหมายความว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยคือเราสังเกตเราเริ่มต้นจากไม่มีอะไรก็เป็นนามนธรรมมีกิเลส อีกครำรแล้วก็สร้างเกิดเป็นวิญญาณก็เป็นนามนธรรมแล้วก็ไปได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมของโลกขึ้นคือตัวสเปิร์มกับตัวไข่ของแม่ก็ามาผสมกันก็กลายเป็นหยดน้นําเล็กๆแล้วค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงระดับกระดับไปดับไปก็เกิดเกิดขึ้นกระดับไป ก็ทยอยกันไปก็จะสัน ต, ติคือต่อกันไปเรื่อยๆแต่จุดหนึ่งมันก็ดับอ่ะเพราะในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเรามันก็ไม่เป็นเราจริงสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแล้วเราไม่ได้เป็นจริงและยิ่งตัวตนของเรามันไม่มีตัวตนอย่างที่เราเชื่อกัน ในเรื่องการเกาะกลุ่มของรูปธรรมกับนมามธรรมแต่นั้นเองที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังกิตเตนะปัญจปทาใานการถาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่มั่นถือมั่นในการทั้งง่าในเป็นทุกแต่ว่ามามองเองหนึ่งมองด้วยความเป็นห่วงแล้วเคยก็เตือนลูกศิษย์ท่านพุทธทาธเตือนในที่ประชุมวัดชนประทานน่ เพราะเราฟังๆเนี่ยท่านอ้างแต่ท่านพุทธทาสแต่ทั้งๆที่นั่นไม่เป็นพุทธภาษีอะแต่ท่านอ้างพุทธทาสหมดซึ่งเราเป็นห่วงว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นนิกายอีกนิกายหนึ่งแล้วก็นับถือท่านพุทธทาสก็เรเราเห็นหลายชุดละอย่าลืมเอาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ท่านประสูพันธุ ก, ก็ ด, ทกดีท่านสังคะก็ดีท่านาครชุนก็ดีท่านอาโศกโคตก็ดีเนี่ยทุกสิทย์มันนับถือคล้ายๆกับศาสดาโดยทำให้การรวมศูนย์ของจิตชาวพุทธเนี่ยไม่ได้รวมเพราะอันตรายตรงนี้คนไม่ได้คิดเพราะที่จริงหลวงพ่อพุทธทาสนท่านเป็นทาสพระพุทธเจ้าท่านประกาศตัวเป็นทาสพระพุทธเจ้า ท่านมีหน้านะที่ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าธรรมะของท่านพุทธทาสก็เคยเตือนพระรูปหนึ่งตอนนั้นเขาดังมากออกโทรทัศน์ช่องสามเอ่อเป็นรายการธรรมะของพระรูปนี้พอดีเขานด้บอญมาไปบรรยายที่วัดเก่ก็เตือนออกโทรทัศน์ออกวิทยุเอออกักเสียงไปเลย บอกว่าเราควรให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเราไม่มีธรรมะของเราหรอกแม้เราปฏิบัติได้ก็ไม่ใช่ธรรมะของเราพระเจ้าเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีประเด็นตัวนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงแม้มาไปเคยไปเยี่ยมพวกศิษย์พระอาจารย์ชาพิทักษ์างจากต่างประเทศสองครั้งนะเะก็นบนไปแถวยุโรปหลายประเทศ เก็เตือนเขานะทีนั้นบอกระมัดระวังนะฮะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้เสมอเลยว่าทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ชาท่านก็เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเป็นศาสนิกในพระพสัตวนะ์นาเดี๋ยวนี้มีแนวการแบ่งเป็นสายเยอะเสือ ย, ยาวเลยน่าเป็นห่วงแม้แต่การทําพระเครื่องนะทําพระเครื่องต่างๆแล้วเกจิอาจารย์แล้วก็นา ม, มา โปรโมตรประชาสัมพันธ์ะยกย่องเชิดชูคล้ายๆกับจะเป็นพระหารไปแต่เรื่องนี้ที่จริงเคยมีตอนสมเด็จพระสังฆราชได้รับการสถาปนาใหม่ๆก็สภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะมาขอทำ ร, รูปเหมือนเพื่อจะทำเป็นเรียนแล้วก็ให้ประชชนเช่าไปคารบนักจิ ก่อนนั้นนั่นเราตกลงกันนะว่าจะไม่มีการทำเรียนเพราะถ้าจะทำก็ให้ทำเป็นพระพุทธเจ้าเถอะคือถ้าจะมีนับถือระดับพระเครื่องก็ให้นับถือเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็รักมาเป็นคนตอบเองมาตอบไปสองหน้าการะดาษอธิบายเป็นประเด็นประเด็นประเด็นประเด็นไปเลยแต่พวกนี้ก็ดีนะฮะก็เข้าใจเขาอ่านแล้วก็ตื่นเต้นเขา ก็ามากราบทูลก็ เ, เห็นด้วยทุกประการแล้วเขาก็ไม่ทำาแต่สุดก็มีการทำจะได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงลึกๆแล้วเราก็น่าห่วงเราชื่นชมเรายินดีมากที่หลวงพ่อได้เป็นระดับโลกแต่มุมหนึ่งเนี่ยต้องระบาดระวังเพราะการเชิญชวนนั้นไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าเลยพูดแต่หลวงพอ่อองค์เดียว แล้คนอื่นก็คิดเป็นไงภาษามาเองเนี่ยแม้แต่ว่าหนังสือที่มาเรียบเรียงเนี่ยใครอ้างวาตามาเนี่ยาไม่ชอบอเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราเอามาคือเราเอามาสื่อสารของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาสื่อสารด้วยภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายแต่ถามที่ไปที่มาเราก็บอกได้วันถ้าจะอ้างมันก็ไปอ้างที่ตัวพระบาลีพุทธวจนะ ก็เป็นเรื่องที่ที่อยาก ต, ตั้งข้อสังเกตเอาไ ว, นะยายว้นะฮะพระเยรีอานี้คือแนวตึกนึกเหปอนกันาะแนวตึกนึกเป็นกา ร, รกกเารมื่อเราถ่วงไปว่าคําสอนนี้เป็นของพระอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นแล้วสติรมไม่คิดถึงพระพุทธเจ้ า, จาบางครั้งพูดตั้งสองชั่วโมงไม่ได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าสักคำเลยอาจารย์องค์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์องค์นี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น มันไม่มีน้ำหนักอ่ะไม่มีน้ำหนักพอเป็นปฏิเยกนชนปั๊บเนี่ยคําพูดจะไม่มีน้ําหนักเลยมันจะนําไปสู่ภาคปฏิบัติไม่ได้แม้แต่ขนาพระโรมราชวาดเนี่ยรู้รักษาเมฆีเห็นไหมร่นร ง, ร ง, รงนกันเมฆีพี่คร่บจะเอาไม่ได้เลยก็ยังมีการทะเลาะแล้วก็ตูตโตโตและวัางนั้นเลยอายุอานามก็มากมากแล้ว ขนาดคำคำเดียวเนี่ยเป็นพระองค์ราชวาทเป็นพระรธรรมญาติเน้นยำ้ำอยู่บ่อยๆเลยเรื่องสามัคคีเนี่ยแ้่ก็จริงมันมั น, มน ย, ยังเอาไม่ได้เพราะในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องมองว่าตรงเนี้ยมันแสดงในยะอะไรแสดงในยะว่าจิตมันมันเปเหนียวเอาในเรื่องอะไรมาก แล้วสุดจะให้ความสำคัญแก่ฝ่ายนั้นและฝ่ายหนึ่งคือเมื่อจิตไปตกไปจากฝ่า ย, ฝ, ายฝ่ายกุศลเพราะติดมันจิตมันตกไปฝ่ายอกุศลแล้วก็แม้แต่ในกรณีอื่นก็ทรงใช้เช่นเดียวกันเช่นว่าภิกษุยิ่งตรึกนึกตึกตรองถึงอวิงสาวิตกมากเอกว็ละทิ้งอวิงสาวิตตเสียแล้วก็ ยิ่จะมากไปด้วยวิหิงษาวิบกจิตกันเถอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อวิหิงษาคือความคิดเบียดเบียนทีนี้ทรงสู่อระมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับในสารท ก, กาลนะคือเดือนท้ายแห่งปีคนเลี้ยงโคต้องการที่จะ ระวังโคทั้งหลายในที่คับข้างหรือเข่กากราเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไว้จากนั้นเฉพาะเหตุอะไรดูกรวิสุท์ั้งหลายคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจองจําการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดคือหมายความว่าลักษณะใจเนี่ยถ้าคิดถ้าคิดไปอย่างนั้นอะต่อไปมันลน้นอะมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอก แต่มันจะออกมาเป็นนิวรมันจะออกมาเป็นวิตเกามากิเลสแต่มันจะออกมาเป็นอาจักกรรมเพราะงี้เรียกว่านรกมันรอยอยู่ข้างหน้าปัญญาก็ต้องสองมองไปข้างหน้า ต, ตรงเนี้ยไม่ได้คิดกับพิลักเพราะมันเป็นอกุศลวิตกคือตรึกนึกด้วยความไม่ฉลาดแล้วก็สิ่งที่นํามาตรึกนึกก็ไม่ฉลาดเพราะว่าเป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจตัวเอง เราก็รับสั่งแสดงว่าดูกรงพิสุจน์ทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แลเห็นโทษความเลวรามความเศร้าหมองของอกุศลทั้งหลายและเห็นไอนสงในการออกจากกามมันเป็นฝ่ายแห่งความพองแผ้วกองกุศลทั้งหลายแล้วดูกอรพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียนเครื่องเผากิเลส ส่งตนไปอยู่อย่างนี้ในคำมวิตกคือตรึกนึกด้วยการเห็นโทษของการมเห็นโทษทั้งตัวกิเลสแต่เห็นโทษทั้งตัววัตถุที่จิตไปเกี่ยวเกาะไอตัวเนี้ยัยงยังยังเคยคิดถูกไหเวลานี้ยกระแสของอะไรล่ะวีซดีดีวีดีภาพยนตร์ละคร หนังสือเริงร ม, มต่างๆเนี่ยมันจะมีอิทธิพลมากในสังคมของคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็ท่านไงเราจะคุยกับคนเหล่านี้แบอกว่าคุณคุณคุณต้องนึกว่าสังคมเนี่ยคุณจะให้อะไรแก่สังคมว่าเมื่อจบเรื่องหรือว่าแต่ละตอนหรือประโยคแต่ละประโยคเนี่ยมันคุณให้อะไรแก่สังคม โดยเห็นว่าถ้าเราช่วยคิดกันอย่างนี้มันก็จริงก็คือคือการสอนธรรมะโดยวิธีหนึ่งอ่ะทุกทุกรูปแบบที่เราใช้เนี่ยมันสอนธรรมะได้มันก็ทํางองคล้ายๆกับวันใคดีไทยไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์ก็ดีอินเนอรก็ดีคุณช้างคุณแผนก็ดีพระภัยมณีก็ดีโคบุตรอะไ ร, ต, ออะไรต่างๆมากมายกันกอง มันจะให้สติตักเตือนคนอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปและตอนสุดท้ายนี่จะบ่งชี้ถึงกรรมที่คนเหล่านั้นก็ทำไว้แล้วก็มาสนองผลเป็นผลที่เขาได้รับในปัจจุบันทีนี้ถ้าถ้าระดับของศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านจะบอกถึงผลต่อไปในชาติหน้าจะยกตัวอย่างว่าเรื่องวิมานวัตถุเนี่ยมันก็ คนเขาเกิดในวิมานก่อนพระมุกกาลนาก็ไปพบแล้วก็สัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์ก็ย้อนอดีตแล้วความมก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาเนี่ยเขาทําความดีอะไรไว้หรือไปเจอพวกเปรตพวกสัตว์นรกอะไรก็สัมภาษณ์เพราะงะั้นบาปกรรมต่างๆที่ท่านเหล่านั้นทําเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตแล้วความอดีตในชาติที่เป็นมนุษย์ เพื่อทบาปทำกรรมอะไรไว้หรือทําบุญทำกุศลอะไรไว้เพราะการการมองเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้เป็นเป็นพระโพธิสัตว์รับสั่งเล่าว่าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นการมองไปสู่อนาคตว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือแนวกระบวนการของปฏิจจการแนวของปฏิจจสมบาท แล้วก็รัชสั่งว่าเรานั้นย่อมชัดอย่างนี้ว่าย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนคขมวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าเนคขมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญทำให้เกิดความคับแคน ไม่ทำให้เกิดความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพานทุกคนพิสูจิ์ทั้งหลาย่าถ้าเราจะตรึกฟรองถึงเนคขมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันตรายจะบังเกิดแต่เนคขมวิตกนั้นทุกคนพิสูจิ์ทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกฟรองถึงเนคขมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเนคขมวิตกนั้นเลย เดี๋ยวก็รับสั่งว่าหากเราจะตึกซองถึงดนคขมวิตกคือตรึกนึกที่จะออกจากกามนะฮะแต่เช่นความคิดเนี่ยเราก็ไม่ไม่กำหนัด ไ, ไม่เพลิดเพลินไม่ไม่ชื่นชมยินดีในอารมณ์จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามหรือว่าปัจจุบันก็ตามเนี่ยก็จะทำให้จิตเราเนี่ยจิตใครก็ตามนะคือคือจะสงบ เธอทั้งฟังลองสังเกตว่าวิธีการตรงนี้มันก็เหมือนกับแนวของกาลามาการามาสูตรตที่รับสั่งเอายกอโลภาทุสสะโมหะกับอโลภาทุสสะโมหะ ม, มาเป็นประเด็นเธอตั้งสอบถามว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนคนอื่นมไหมแล้วแต่อะเนี่ยก็ตั้งคำถามถามเพื่อให้ชาวกาลามชนเนี่ยก็คิดเอาทีนี้ ปัญหาตัวนี้ที่จริงสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเราอะที่จริงมันมีความขัดแย้งกันสูงเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ฟุ่เฟือยเราก็มีรสัญญ์สูงเรามีการทัวร์ต่างประเทศเรามีขนเงินออกไปใช้จ่ายต่างประเทศมากมายแก่กอง บางครั้งขนาดจะกินอาหารเนี่ยต้องบินไปฮ่องกงบินไปสิงคโปร์ฮ่องกงนี่ได้ข่าวบ่อยนะก็บินไปกินอาหารอ น, นอ้คือคือคือปัญหาว่าเมื่อชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งมันอยู่ในมิติของสังคมบริโภคบริโภคนิยมแล้วเราก็มาสวนกระแสเพื่อย้ายเศรษฐกิจพอเพียงนี่โอโหกันยากมาก แล้วยลืมว่าลักษณะของสังคมเราเนี่ยจริงๆเราก็มีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่โบราณพออยู่พอกินมีอยู่มีกินพออยู่พอใช้อยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่เน้นที่ที่เรื่องพลนปลื้ดด้วยปัจจัยสี่เพียงแต่ว่ามองในแนวของการสำเร็จประโยชน์ก็เป็นการเพียงพอแล้วโดยเห็นว่าถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันมีความคิด ในความคิดแนวคล้ายๆถ้ามองในปัจจุบันมันก็เป็นปเป็นการระมาคือตำก็สารพอกรอกหม้อนะชีวิตชนบทเขาก็ให้เสศษไปเป็นวันๆแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันมันก็เป็นนวันอย่างนั้นไม่ได้แต่การรณรงค์ถ้าคนขาดจิตสานึกในตัวเขาเองและเราก็ทำอะไรได้ยากและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า เราสังเกตว่าเกมทางโทรทัศน์เกมโชว์ทางโทรทัศน์แต่เกมอะไรก็ตามที่มีรางวัลเนะ่ะมันจะฮิตติดอันดับเป็นสิบสิบปีเลยอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนวิทยากรอาจจะเปลี่ยนอะไรไปก็อยู่ได้ตลอดแต่ทํามในต่างประเทศเราต่างประเทศมันก็คือกันต่างประเทศก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้นเพราะในคำวมาวิจุตมันพูดกระแสแรงนะฮะ พ้นกระแสอารมณ์โลกที่ค่อนข้างแรงถ้าปัญญาเราไม่มากพอจริงๆก็จะเห็นได้ยากอย่างที่พระเจ้ารับสั่งแสดงเนี่ยสูริจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรสที่พวกคนเข่าค่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค่องอยู่เพะะน้นาจะเห็นว่าโอกาสที่จะเข่าเนี่ยมันมั น, ม, นมันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่า วิธีการก็คนเหล่านี้มันจะมีการโน้มน้าวจิตใจของบุคคลเห็นตามคอยตามไหวตามไปเคยอ่านหนังสือพิมพ์สบับหนึ่งมีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับพระพอาจารย์ขลังนะฮะก็มีอยู่องค์หนึ่งเนี่ยคือหลายปีแล้วดางกันอยูเนี้ทากุมารนภาพไปแล้วยังเชียร์กันอยู่อย่างนั้นน่ะ เป็นเหรียญเป็นการสร้างเหรียญรุ่นต่อไปรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นวันเกิดรุ่นปีเกิดะอะไรต่างๆเชียกกันอุตรุดเลยแล้วก็มีตัวอย่างเอาคนดังๆนะฮะมีมาโฆษณามาประชาสัมพันธ์คนก็อ่อนไหวตามไปก่อนก็เจอ ก, จกเจ้าก็นาจังหวัดเขาก็ลองจะทาบกันกหน่อยบ่กลูกพี่ลูกน้องดังเลเกินนะ เดีย๋ยวบอกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกมันก็ปลุกเสกกันเฉยๆแต่มันอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเห็นว่ากระแสเนี้ยกระแสมอมเมานี่ยมันจะเยอะมากสังคมเราเนี่ยจนคนเราก็หลงไหลคลั่งคลายไปกับเรื่องเหล่านี้กลายเป็นหักที่วัตถุนิยม ก็จริงๆก็คือแนวการมาสุการิการนโยกตอนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าเองก็อยู่ในยุคการมาสุการิการนโยกแต่บ่งสลัดมาได้สลัดมาได้จากการมาสุการิการนโยคเพราะนั้นที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านมีอุดมการหนึ่งที่ว่ามันต้องต้องถอนถอนตนมาจากวัตถุนิยมาก็ไม่มีอะไรคือพระเจ้าท่านถอนมาเป็นตัวอย่างแล้วภาษาดิบุตรพระโมกกาลานะนี่ก็ถอนตัวมาจากวัตถุนิยมได้งนะ มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเพราะว่าตราบใดที่เราเป็นธาตุของวัตถุนิยมอยู่เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันอดไปสู่อาชญากรรมไม่ได้พญาลือมกามีตกกระดีพยาบาตริีตกกรดีวิหงสาวิตร ก, กดีมันเกิดที่จิตก่อนแล้วพอมันเกิดมากขึ้นเนี่ยมันจะลามปามอะจิตมันจะลามปามคล้ายๆกับฝนต ก, กมาน้ำมันก็ไหลแล้วมันก็หลากมาเรื่อยๆเลยเผลอพ ล, ลาดพาด กลาเป็นความโกลัวเกิดจากความโกลัวความโกลัวเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกลัความรักเกิดจากความรักอะไรแต่ละโอ้ก็ไปกันอยู่ตลุดมาได้ลักษณะลามปามกิเลสแต่ยิ่งธรรมะเข้ากลามเหมือนนะแต่ว่าธรรมะนั้นมันลามแล้วอบอุ่นสงบเย็นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายเพลิงก็รับสั่งว่าคือคือหมายความว่าเออทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยมันไม่ได้มีโทษอะไร ถ้าตรึกนึกที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันพระตามปกติแล้วเนี่ยแต่ท่านที่อยู่ในป่าเนี่ยเริญกรรมาฐานส่วนใหญ่เนี่ยท่นานก็ทุ่มเทเวลาชีวิตไปกับเรื่องเหล่านี้แล้วรับสั่งว่าเรายังไม่มองเห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนคมาวิตกนั้นได้เลยก็แต่เมื่อเราตึก กรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิอันนี้ก็ลักษณะยอย่างหนึ่งนะฮะเป็นความเพียนที่แก่กล้าเกินไปหลักการสำคัญก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทามีพระเทระและอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเราตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตอนมาเป็นทุกรกิริยาเนี่ยก็แสดงว่า ก็พยายามที่จะข่มนะฮะพยายามที่จะข่มตามปกติแนวทุกรกายเนี่ยเขาจะพยายามข่มกามราคะหมายความว่าจิตมันจะดิ้นอ่ะจิตมันดิ้นเราไปกํากับมันแต่มันจะดิ้นเพราะงั้นมันก็มันก็เวียงไปเรื่อยเลยคล้ายๆกัักกยอะกันเนี่ยกำมังก็ผวาดผวาเวียงกันก็เลยก็ผลักกันไปผลักกันมาดึงกันไปดึงกันมาะเราไม่สามารถจะกํากับจิตให้อยู่กับ อารมณ์ที่เป็นกุศลได้นานๆเพราะว่าพลังของกุศลก็แรงทีนี้แต่การทรมานร่างกายในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ผู้าก็เคยเจอเรื่องผินเป็นพระโพธิสัตว์เป็นก็เจอเรื่องสายผินหนังสือทวีปแปงทวิปเอเชียประเทศแปงทวีปเอเชียเนี่ยท่านท่านแต่งเป็นคำกรนไปเราะมาก ท่านบอกว่าดีพินจับระบำยังทาสายพอดีตึงนักสายมักขาดเพลงพินาศหมดเสียงสายย่อนนักสายหมดไปยังทําสายพอดีพระโส น, นโกริวิษะใช้ความเพียนแรงจนฟุง้งแล้วก็ท่านเดินจงกรมอย่เ ท, ท้าแตกเท้าแตกในท่านอยูครานเดินจงกรมอีกเลยพระเจ้าต้องเสด็จไปเสด็จไปให้สติตักเตือนโดยยกตัวอย่างสายพินเช่นเดียวกับที่พระองค์เคยประสบมา เพราะงั้นการฝึกจิตเนี่ยอย่าให้แรงเกินไปอย่าให้บีบจิตจิตทุกบีบบังคับมากเกินไปแต่บังคับแล้วเนี่ยเขาก็จะดิ้นนะรับสั่งว่าพิสูุนทั้งหลายเรานั่นแลดดำรงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ดีแล้วข้อนี้เพราะเหตุอะไรพระปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้ แล้วก็รับสั่งเมื่อเดิมนะฮะว่าตุกข์คนพิสุท์ั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียนเครื่องเผากิเลสส่งตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อภยาบาศวิตกย่อมังเกิดขึ้นอภยาบาศก็คือการเนียวนึกตรึกนึกด้วยความแม่าคาดอภยาบาศแต่คนอาจจะทําอะไรให้เราไม่ชอบไม่พอใจแต่เราก็ก็จบกันไปตัว น, นั้นแหละ ือเก็บไว้ภายในใจไม่ผูกโกรธไม่โกรธไม่ประทุษร้ายไม่อาคาดไม่พยาบาทไม่จงเวรก็เป็นเรื่องของเขาตรงนี้จริงเราคิดในแง่กรรมอย่างเดียวก็พอแล้วสามารถประคับประคองใจไว้ได้แล้วทีนี้เมื่อคิดในแนวไม่พยาบาทมันก็คิดในแนวเมตตาในการมุ่งดีปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นแล้ว คุณอานิสงของความไม่พยาบาทก็มีลักษณะเดียวกับเนคขมะดังที่ท่งแสดงไว้ในตอนก่อนแล้วก็จากจากนั้นก็มาถึถงนึกเลยนะอาวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะของจิตที่กรุณานะถ้าท่านฟังลองลองลองนึกดูถึงทศพิตทศพิตรราชธรรมของของพระมหากษัตริย์ มันมันอกโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังหมายความว่าอกโกทะคือไม่โกรธไม่โกรธก็คือเนี้ยคือคื อ, ค, อ, ค, อคือไม่ไม่นำไปสู่ความมาฆาตพยาบาทแล้วก็อวิหิงสัญจะก็คือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนก็คือการอะไแในหมายความว่ า, าจิตมันก็ต้องมีขันติ มีคันติเราจะเห็นว่าตรงนี้ธรรมะอย่างอื่นก็ทั้งวางเข้าอุปรธรรมสนับสนุนไม่งั้นจิตมันกเน็เดินเดินได้ยากในที่นี้ก็ทรงเน้นถึงธรรมะสามข้อคือความไม่ประมาทความเพียรแล้วก็สัมมชัญญาซึ่งจะต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็เมื่อทรงตึกนึกที่เป็นกุศลกับบทกล่าวโดยสรุปนะฮะทรงตึกนึกที่เป็นกุศลกับบทตลอด ตลอดทั้งกลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีก็ยังไม่มองเห็นโทษอะไรที่จะเกิดขึ้นจากการตึกนึกเหนียวนึกในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าหากวันนานไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยในจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็จะห่างจากสมาธิก็ทําไงละ่ะเรานั้นแลดดำริจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิปองไวด้ดีดีคนนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะ หมายใจหมายในใจว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยคือคืออย่างที่บอกเนะ่ยมันแนวการบริหารจิตเนี่ยคือความเพียรกับสมาธิเนี่ยเขาจะตั้งระคบประคองกันและศรัทธากัญญาเนี่ยเขาจะประคับประคองกั น, แ ล, กญญ น, กนและสตินี่มันก็จะเรเรื่อยเห็นว่าถ้าความเพียรเขาหย่อนเนี่ยมันในสุญจงง่วง ถ้าความเพียรมากเกินไปมันจะฟุง้งเพราะฉะนั้นไอ้ความเพียรที่หย่อนเนี่ยบางทีเราก็นกึกว่าเป็นสมาธิจริงๆเราหลับไปแล้วเพราะฉนั้นจะต้องประคับประคองระหว่างความเพียรกับสมาธิอย่าให้ยิ่งอย่าให้หย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปก็ไม่ไดีศรัทธากับปัญญาจะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าศรัทธามากเกิดไปปัญญาตามไม่ทัน มันความเป็นงมง่ายแต่ถ้าปัญญามากเกินไปสตัทธาตามไม่ถัดมันจะเฟื่องอ่ะมันจะหาทิศทางอะไรไม่ได้ปัญหาตรงนี้เป็นเป็นเป็นปัญหาใหญ่นะคือเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเราไปยอมจำนวนยอมจำนวนแล้วเราจะเกิดอาการยอมสยบโดยไม่ได้คิดโดยเหตุด้วยผลเนี่ยโดยไม่คิดโดยเหตุด้วยผล ซึ่งบานเรื่องนี้เราก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องคิดเยอะนะฮะต้องคิดเยอะเลยจะยกตัวอย่างรอยพระบาทอันก่อนก็ดูอะไรอนะ่ะเกี่ยวกับพระบาทเนะี่ยพระบาทสี่รอยหรือสามรอยนะก็ไม่ได้ไดูรายละเอียดหรอกแต่ว่าแหมมันก็หนักมือนะคือเราต้องนึกนะฮะต้องนึกว่าตัวพระธรรมเทศนาที่เป็นหลักเนะี บอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนั้นถึงความรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ยอดคือใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกคือสัตว์อะไรก็ตามเหยียบลงในรอยเท้าช้างนี่ยจะไม่มิดเลยเลราะธรรมทั้งหลายในพุทธศาสนามันรวมลงที่อภิปรรมคือความไม่ประมาทไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะสรุปแล้วก็คือความไม่ประมาทคําเดียวนะพุศาสนาเป็นาศาสนาที่สอนสรุปลงในคําคําเดียวได้ เราจะเอาอะไรล่ะเอาความไม่ประมาทก็ได้เอาสติก็ได้สติก็ไม่ประมาทก็อันเดียวกันนะฮะเอาปัญญาก็ได้ อ, อะไรก็ได้สักข้อหนึ่งเนีอ่อแล้วก็จะดึงดูดธรรมะเหล่าอื่นเข้ามาแต่ข้อสาคัญว่ามีจุดเริ่มต้นที่กุศลธรรมซึ่งบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปคนเช่นการเมื่อเขผ่านกันเขาบัณฑิตอินทร์นวใช้คนหรือบางทีก็ใช้จิตสำนึกของคน นะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้ผู้ใครทําเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นคนเสือ่อมแต่มื่อยู่ที่ทํานึกของคนว่าคุณมองธรรมะยังไงล่ะถ้าคุณมองธรรมะด้วยความพอใจยินดีศรัทธ า, าประสทาทจิตคุณก็เดินไปบนกระแสของธรรมะคุณก็มีความเจริญแต่ถ้าคุณประเสธธรรมะคุณรังเกียจธรรมะ คุณไม่ยอมรับทำไมคุณก็เสือ่อเพราะแนวตนัวนี้จริงๆมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราพอใจเรื่องอะไรจิตมันก็ไปคิดรื่องนั้นเราพอใจในการมีตกมากก็คิดไปในการมีตกมากพยาบาทมากก็คิดไปทางพยาบาทมากความเบียดเบียนมากแต่ทีนี้ถ้าใจมันนิยมในกุศล ม, มันก็คิดไปในทางเนาะทางที่ไม่เบียดเบียนกัน นะมีเมตตาต่อกันมีพยายามที่จะมองเห็นโทษของของวัตถุกรมและของกิเลสกาเทั้งหลายในจิตใจก็จะถ่ายถอนผ่อนคลายความรู้สึกที่เป็นไปตามแรงของกิเลสตหน่นั้นเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่ามันก็วิธีการเนี่ยงสอนคือคือคือถ้าเราดูที่พระเจ้าทรงทรงแสดงง มนันไม่เคยสลับซับซ้อนเนะที่พูดจะทำสลับซับซ้อนมันคนรุ่นหลังเอาพูดจะทําสลับซับซ้อนความเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วก็เราก็พูดแต่มันเป็นสูงเกินไปนะอย่างแนวของสุญญาตาวาัตเนี่ยพทฒนาคาริชินจนถึงการสรวมสุนญญำสิ่งทั้งบวงสรวง สิ่งที่บ่งสูตรมันก็พูดได้มันจริงแต่ว่าไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดแก่คนโดยทัว่วไปได้มันเป็นการพูดระดับวิปัสสนากรรมฐานมันพูดต้องการจะขจัดพิปัลลาทั้งสี่ประการออกไปแล้วเข้าถึงสัจจะี่เศ้จริงแต่วันนี้เมื่อพูดเนี่ยมันจะ ม, มีปัญหาทันทีเลยเพราะในที่สุดคนจะไม่กลัวบาปเพราะว่าบาปมันสูญด้วยเพราะว่าสิ่งที่บ่งมันสูญ ก็คิดระบาปก็สูญด้วยบุญก็ศูญด้วยเออเลยเลยก็ไม่สมบุญฮะมันเป็นความคิดที่เสียฐานวันรุ่งที่ภาวะของคนใกล้ๆระวังหลักสูตรเนี่ยวังหลักสูตรนักเรียนเนี่ยไม่ใ <const> ช่ว่านิ่งๆจะให้เรียนสูงสิเดี๋ยวค่อยๆเรียนค่อยๆทำความเข้าใจงานมาแล้วที่เคยเล่าอ๋อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆ่งท่านคุยกับฟังเรื่องอน้าตา ทีนัตตาเนี่ยมันเป็นคำพูดที่แปลแล้วเนี่ยต้องอธิบายหรือถ้าไม่อธิบายแล้วก็ยุ่งเพราะกรอบของคำเขาความหมายเขาลึกซึ้งนะอะเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีตัวมีตนเนี่ยมันมันไม่ได้ความหมายมันไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นท่านยิ่งต้องอธิบาย พระรังก็ถามมาเอ๋ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ตัวเชตนก็แสดงว่าผมก็ต่อยเจ้คุณได้เลยแต่คุณก็ว่าได้อาหมาก็เตะโยมได้แต่อาหมาก็บังคับไม่ได้อันนี้คือเราจะเห็นว่าอนัตตาความหมายหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแต่สองเนี่ยตรงกันข้ามกับความ สอนเรื่องอัตตาตัวตนที่มีอยูน่ในรัที่พราหมณ์แล้วก็สามเนี่ยพอย่อยไปแล้วมันศูนย์เดี๋ยวก็สี่เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรที่ว่าของเราของเราของเราเนี่ยมันร้องเป็นนกเขาไปอย่า ง, งนี้อย่างนี่ยที่หลวงพ่อพุทธทาสต่์ตว่าบกขอตัวคูของคูเนี่ยมันไม่มีทั้งสองอย่างนั้นแหละแต่นั่นคือปรมัตร์สัจจะมันเราพูดในที่ตัวไปไม่ได้ พอพูดในที่ทั่วไปที่จริงโลกนี่เคยประสบอันตรายจากเรื่องเหล่านี้เพราะอไรเพราะว่าใบสอนธรรมะที่ไอวุธที่ภาวะของคนยังเข้าไม่ถึงยัเข้าไม่ถึงจุดตรนั้นเนี่ยนั้นเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อยก็ตรุนาวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆเนี่ยมันเกิดก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันแนวของโจรองค์กลริมาเนี่ยไม่เย็นมาจากวัฏสงฆ์ในลักษณะนี้ ไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าแต่ที่จริงใครกล่าวกล่าวว่าศิริณีถูกฆ่าที่จริงสิริณไม่ได้ฆ่ามันเพียนแต่ว่าวัตถุแทรกกันไปในวัตถุเท่า น, นั้นเองตัวคนก็เป็นวัตถุดาบก็เป็นวัตถุแต่ผู้แทงก็เป็นวัตถุผู้ถูกแทงก็เป็นวัตถุมันไม่มีอะไรมันก็ยุ่งกันหมดอะองค์ลิมานเลยฆ่าคนเพลินไปเลยนั่นเป็นคําสอนที่ ยุคสมัยที่คนก็ต่อสู้กันเพื่อจะต้องการให้คนเนี่ยสงบจิตอย่าคิดเรื่องบาปกรรมเราจะเปแง้มรบไม่ได้มันเป็นรัตยาสงครามที่ทา่านกฤษณะสอนเป็นอริชุนนะในสีมันภควัตคิตาทั้งคิดเหล่านี้มันมันก็ออกมาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างรัฐิบูชิโดกรดีหรือว่าต่อมาเป็นซามูไรหรือเป็นการมิเกเชเนี่ยพวกวิแนเดียวกระแสเดียวกัน คือมันเป็นบัญญที่ใช้ไปเพื่อการสร่งถามแล้วก็เรื่องความคิดเนี่ยทนองเบียเบียนแล้วก็ทำนองอาคตาพยาบาทนะทานองรเราเห็นว่ามันเป็นอกุศสวนมิตรกทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะไปอยู่ในกระแสตรงนั้นต้องชัดเจนในโทษของอคตศสวมิจตกอยากรู้เจ้าทรงชัดเจนตอนนั้นยังยังเป็นพระโพธิสัตว์นะ ไม่จะเป็นอนุตตรจาร่งชัดเจนในในเรื่องของอกุศกลกบฏเรานั้นแล้วในสุดก็ทง่งดำรงจิตไว้ในภายในทมให้สงบทาให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีเพราะนั้นประเหตุอะไรเพราะว่าหมายใจว่าทำจิตของเราจะฟุ้งซ่านอี่แหละอันนี้ก็คือแนวที่ ค่้ายๆกัที่ส่งสอนภิกษุซึ่งกลัวสิกขาบทมันมากเกินไปศีลมันมากเกินไปรุงรังแม้แต่ที่จะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่มีพระเจารับสั่งว่าถ้ารู้สึกว่ามากไปก็รักษาสักอย่างได้ไหมท่านบอกว่าอย่างเดียก็ได้พระเจารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นก็รักษาจิตยอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดออกขงนอกเร อ, อก่ิตไม่ต้องรักษาในสุดถ้าเดี๋ยนั้นก็ปฏิบัติธรรมะได้ เพร า, ะ, ะ, เราะเห็นว่าการดิจิตมันสายสายออกไปข้างนอกแล้วฟุงงซ่านเนี่ยเพราเราไปดึงอ า, อารมณ์นะแล้วลองเราสังเกตว่าอารมณ์ที่มันก่อให้เกิดการมีตกกะดีพยาบาทมิตกกะดีวิงสาวิตกกดีเนี่ยเป็นอารมณ์อดีตนานมาแล้วก็มีเป็นอารมณ์ที่เราคิดเราคาดหมายเอาเราสันนิษฐานเอาเราคาดใจเอาไว้จะเกิดในอนาคตก็มีและบางครั้งบาคราวเนี่ยเป็นเรื่องที่ปรากฏในขณะนั้นแหละแต่เราก็รับไดเต็มเปาเลย เขาด่ามาก็เอาตัวตนไปรับเต็มที่เลยเขาโยโยวนมาก็รู้สึกว่าเขายโยวยนเราอันนี้ ก, ก็ก็เป็นความสับสนในด้านจิตใจของของบุคค ล, ลนั้นเองที่สัมผัสการรวมในปัจจุบันแล้วก็ไม่สามารถจะแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นสติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยจึงต้องมีตัวสามารถวินิจฉัยว่าเรื่องอดีตก็คือเรื่องอดีต เร่ออนาคตมันเป็นเรื่องอยังไม่เกิดปัจจุบันเราตื่นนึกอะไรมันได้อะไรตื่นนึกเดินหน้าความใคร่ก็ดีความพยาบาทก็ดีความเบียดเบียนก็ดีมันได้เลยเราเห็นความ ร, าร้อนนี่ชัดเจนว่าจิตมันร้อนน่ะพยายามบรนเทาความคิดเรานั้นลงไปนี่ก็เป็นเป็นหลักการที่อะไรล่ะคือทาให้ดูแนวการเล่าเนี่ย แนวการเล่าเป็นแนวหนึ่งเช่เห็นว่าพราะองค์เองก็เคยประจิญปัญหามาไม่ใช่ว่าไม่ประจิญปัญหานิ่งๆจะสรุปพรวดมไม่ใช่หรอกต่อสู้กันมาตั้งหกปีระ้วบนเส้นทางทางสารวัตรยาวนานก็สะสมบารมีมาต่อสู้กันไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนอะไรๆกันเรื่อยนะแล้วก็ค่อยๆมีทิศทางชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้มากยิ่งขึ้นในช่วงที่เป็นเดชาลิฐาเองก็จะยิ่งก็มีลักษณะอย่างนั้น ก็มีการหกลบหกล้มมีกันต่อสู้แต่ว่ามีวิธีคิดเนี่ยสําคัญอย่างยิ่ ง, งก็คือวิธีคิดเวลาจิตมันไปเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์มันแยกได้ตัว น, นี้เย็นอันนี้ร้อนอันนี้เย็นอันนี้ร้อนอ น, นี้เย็นนี้ร้อนแยกออกอ่ะร้อนแล้วไปคิดมันทําไมล่ะคิดเฉพาะเย็นเย็นเดีคุณชอบร้อนไม่ชอบเย็นละ่ะอถ้าชอบเย็นมาต้องคิดเรื่องเย็นๆอยาร้อนมันก็หาเรื่องใส่ตัว ก็ทำให้เราร้อนนี่ก็เป็นเป็นอีกช่วงหนึ่งนะฮะเป็นอีกช่วงหนึ่งของทวทาวิตรสูตรเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงต่อขึ้นไปโดยลดําดับก็มีลักษณะคล้ายๆกับย่อพระธรรมจักรย่อพระธรรมจักรคือคือพูดง่ายว่าอริยมรรคในองค์แปประการนะฮะ ว่าเรื่องแปดประการนั่นเองเพราะว่าตรงนี้มันเน้นที่สัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะเพียงแต่ว่าเทรงใช้คําวิจติกันนั่นเองสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันนะฮะสังกัปปะก็เน่ฆมาสังกัปป ะ, ปะอัพยาปาราสังกัปปะอวิหงสาสังกัปปะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าสังกัปปะตรงนี้เรียกว่าสืบเนื้อสานั้นเองไม่ได้มีความอะไรแตกต่างกันนะโดยเนื้อหาของ สิ่งที่เรานำมาจึหนึ่งท้อฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี